เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของชุดไอ้เรืองพเนจรนะคะตอนที่เจ้เนยแม่ค้าข้าวแกงผู้เคยมีบุญคุณแกนายใหญ่ในเรื่องมาขอร้องให้นายใหญ่ในเรืองเนี่ยไปเป็นเพื่อนในการรับมรดกที่มีสัญญาบังคับโดยมีแผนการที่เมืองระยองค่ะซึ่งพอดีทางร้านค้าข้าวแกงของนายเกือ้อมีคนมาช่วยเหลือทางานในร้านค้าแล้ว ในายใหญ่กับนายเรืองก็พอมีเวลาหยุดงานทั้งของตัวเองและของนายเกื้อไปกับเจ้เนยได้ผมไอเรืองของคุณทั้งหลายไม่อยากจะยุ่งและเกี่ยวข้องอะไรกับมรดกพี่เรนของเจ้เนยหากจะเกรงใจและเคารพในบุญคุณของแกที่เคยมีมากับผมที่ต้องไปเกะกะกับแกด้วยเมื่อพี่ใหญ่ของเขาไปผมก็ต้องไปตามคำสัญญาระหว่างกันและกันว่าเราจะทิ้งกันไม่ได้ แต่สังเกตว่าพี่ใหญ่ก็ไม่ได้เต็มใจจะไปเหมือนกันเท่าที่ไปก็ไปอย่างจำยอมนี่ฉันนี่จำเป็นจริงๆเลยนะที่ต้องเอาน้องชายสองคนนี้มาเป็นเพื่อนจเจเนยพูดในขณะที่รับประทานอาหารอยู่ที่เมืองชนบุรีตอนรถเม์พักให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารก็เพราะว่าเจ้ามรดกสัญญาบังคับสับปรดรเนี่ยสิฉันนี่ไม่ชอบใจเลยแต่ว่าถ้าฉันจะไม่มาเอาหรือว่าไม่มารับก็เสียดายในสิทธิ์ของเราที่จะได้ ถ้าเราไม่มาฟังเรื่องดูมันก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเปล่าๆก็เท่ากับว่าเราเนี่ยสละสิทธิ์เจ้เนยผู้มีอายุคราวนะ้าผมพูดแล้วก็อธิบายถึงข้อเท็จจริงของเรื่องนี้การมากับเจ้เนยคราวนี้พี่ใหญ่หนักอกกว่าเพื่อนเพราะเขากับผมก็รู้กันอยู่ว่าเจ้เนยแม่ไม้ผู้ที่มีอายุผิดกันคราวนะ้าสาวแต่แกหลงรักพี่ใหญ่อยู่ การเดินทางครั้งนี้พี่ใหญ่กับเจ้เนยต้องแสดงละครทำทีว่าเป็นสามีภรรยากันซึ่งเรื่องร้ายมันก็มีอยู่ที่ว่ามรดกบ้าบ้านรายนี้เป็นมรดกร่วมกันอีกคนก็คือนายกิมเฮงพี่ชายห่างๆของเจ้เนยเมื่อทางเจ้าของมรดกรู้ว่าสามีที่เป็นจีนของแกตายไปแล้วจึงทำมรดกบังคับไว้ว่านายกิมเฮงและเจ้เนยจะต้องแต่งงานกันเพื่อรับมรดก และเมื่อรับมรดกแล้วเท่านั้นทั้งนี้โดยเป็นแผนการของนายจื้อหรือกงจื้อของเจ๊เนยเพื่อขยายฐานะวงตระกูลให้กว้างใหญ่ออกไปไม่ยอมให้ใครอื่นเข้ามาแทรกเป็นการย่อยให้ตระกูลค่อยๆเล็กลงเพราะมรดกที่ให้ไว้นั้นแล้วกับลูกหลานถ้ารวมกันเข้าแล้วก็มีวงวานและพื้นดินตั้งสองสามอำเภอทีเดียวแต่เมื่อกงจื้อได้ตายไปแล้ว เจ้เนยผู้ที่ได้รับมรดกก็วางแผนการว่าตัวแกได้แอ บ, บมีสามีใหม่ซะแล้วการจะทำตามสัญญานั้นจะเป็นไปได้อย่างไรขอให้วงญาติจงคิดแก้ไขใหม่เถอะเจ้เนยกับนายกิมเฮงผู้มีสัญญาร่วมกันนั้นไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยจากกันไปตั้งแต่เด็กๆแต่สืบข่าวคราวดูก็รู้ว่านายกิมเฮงเป็นนักเลงหัวไม้กินเหล้าสูบฟินเจ้เนยก็ไม่สมัครใจ หากแต่ยังไม่ถึงเวลาก็นิ่งเฉยซะแต่บัดนี้ได้ถึงเวลาแล้วก็ขอความเห็นจากวงญาติผู้ใหญ่จะช่วยแก้ไขกันได้อย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้เมื่อฟังเผืนๆก็ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลแต่ว่าทานายกิมเฮงผู้เป็นนักเลงเกิดมีความโลภอยากจะครองทรัพย์สินทั้งหมดขึ้นมาจะยอมทำตามสัญญารับมรดกแล้วแต่งงานกับเจเนยเมื่อสมบัติทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสามี นายกิมเฮงจะหาเรื่องดีไม่ดีใส่เจ้เนยเข้าแล้วก็ขับไล่สาส่งคราวหลังครอบครองทรัพย์แต่ผู้เดียวจะเป็นอย่างไรบ้างครั้นเจ้เนยเอาพี่ใหญ่มาทำทีว่าเป็นสามีใหม่ก็ย่อมจะไม่สมแผนการของนายกิมเฮงคราวนี้ฐานะของพี่ใหญ่ก็ไม่ดีเราแปลกถิ่นมาจะไปสู้รบตบมืออะไรกับเขาผมกับพี่ใหญ่ชักจะหนักใจเพราะเราสองคนสมองยังตื้นนักถ้านาเกลือแกมาด้วยจะได้หาเรือกัน เพราะแกมีอายุและผ่านนักเลงมาพอๆกันส่วนเจ้เนยนั้นจริงอยู่ในทางนักเลงแกก็จัดว่าชายอกสามซอกอยู่เหมือนกันแต่เมื่อมาถึงหัวเมืองแล้วก็เข้าป่าดงแกจะทานเข้าติดหรือเจ้เนยแกก็กว้างอยู่แค่สีแยกสนามเป้าในกรุงเทพเท่านั้นกระมังผมเมีนั่งนึกนั่งคิดหนักใจมาตลอดทางที่รถเม์วิง่งเรามาถึงระยองแล้วแต่บ้านที่จะมานั้นไม่ได้อยู่ในเมือง บ้านนั้นอยู่หลังตลาดหนึ่งซึ่งลึกเข้าไปทางไร่ทางป่าอีกเราทั้งสามจึงหิ้วกระเป๋าเดินทางเข้าไปกว่าจะถึงก็ได้เหงื่อพ่อไปถึงบ้านเท่านั้นเหตุการณ์ก็เปลี่ยนเป็นโอลพ่อไปหมดสิน้นคือกงจื้อเจ้าของบริษนั้นตายไปเพียง24ชั่วโมงก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วบัดนั้นกำลังรักษาตัวบารุงตัวให้แข็งแรงอยู่หากแต่นิสัยเดิมของกงจื้อเปลี่ยนไปเคยร่าเริงก็เปลี่ยนเป็นนิ่งขรึม เจเนอรูร้ข่าวว่ากล่องจื้อฟื้นมาอีกก็ดีใจเราก็เลยเดินหลีกกับชายคนหนึ่งอายุคงไล่เลี่ยงกับเจ้เนอรร่างผอมๆแต่มีลักษณะท่วงท่าราวกับซินแสมีญาติผู้ใหญ่แนะนําชายนั้นให้รู้จักกับเจ้เนอรเราจึงรู้ว่าชายคนนั้นก็คือนายกิมเฮงผู้ร่วมสัญญานั่นเองชายนั้นพอรู้จักกับเจเนอรตัวจริงเข้ารู้สึกว่ามีสีหน้าผดเือดลงรับไหว้ทักท้านิดหน่อยแล้วก็เลี่ยงออกพ้นห้องนั้นไป ในครู่นั้นผมก็ได้ยินนายกิมเฮงหัวเราะกับพวกของเขาอย่างผิดหวงังหรือหัวเราะเยาะเย้ยหยันตัวเองนั่นเองแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หัวเราะเยาะคู่สัญญาแต่งงานของเขาที่เขากลืนไม่ลงหรือเปล่าเจ้เนยผู้มีนิสัยนักเลงขนาดไม่ย่อยก็เห็นกิริยาของนายกิมเฮงทั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะนั้นแต่ว่าแทนที่เจ๊ของเราจะมีกิริยาสลดใจตนเองหรือแค้นเคืองที่มาหมิ่นเหยียดยามกัน แต่แกกลับยิ้มแย้มแจ่มใสดีคล้ายกับแกตัดสินใจอะไรของแกได้และสมหวังในแผนการอะไรของแกซึ่งผมไม่ทราบได้ผมทายใจพี่ใหญ่ถูกว่าพี่ใหญ่ไม่ได้หมองเศร้าเพียงเพราะพบเอาคู่แต่งงานของเจและเจจะต้องตกไปเป็นสมบัติของเขาอื่นความจริงพี่ใหญ่หน้าหมองพระทายเหตุการณ์ข้างหน้าไม่ออกว่าจะดีหรือได้แค่ไหนผู้มีทีท่าดังสินแสของเจเนย พกปืนด้ามโผลอยู่ตลอดเวลาทั้งพวกของเขาก็ดูมีหน้าเหิ้มๆ เ, เอาการอยู่เมื่อเราจัดกร ะ, ดะเป๋าเดินทางวางเข้าที่กะว่าจะพักเรียบร้อยดีแล้วก็มีญาติผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกเจ๊ของเราว่าสินแสกิมเฮงขอพบและพูดจาอะไรเป็นส่วนตัวสักครู่นึงเถอะเจ๊เนยสั่งเสียให้เราพักอยู่ก่อนแล้วก็จากไปอีกห้องนึงเราสองคนมองหน้ากันเงียบพี่ใหญ่ถอนใจหนักจนผมได้ยินเสียงน่าเห็นใจแก่นะครับ เกือบจะครึ่งชั่วโมงเจ้เนอจึงกลับมาหารเราและชวนเราอาบน้ำให้สบายใจซะก่อนจะได้กินเหล้ากินข้าวกันเมื่อเราไปอาบน้ำกันตามคาแนะนำและกลับมาแต่งตัวใหม่แล้วก็ตั้งวงอาหารกันพี่ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะเจ้เนยพูดขึ้นเมื่อดื่มเหล้ารวดเดียวทั้งแก้วผมกับพี่ใหญ่ไม่ได้ถามแก ว, ว่าตกลงอะไรกันมายังคงนั่งดื่มเหล้าเงียบๆอยู่ ตัวพี่กับพี่กิมเฮงต่างก็ไม่เห็นด้วยกับสัญญามรดกนั้นเจ้เนอยอธิบายผมดูสีหน้าพี่ใหญ่จะชุ่มชื่นขึ้นเพราะภัยทางคิดแย่งนางจะไม่มีขึ้นส่วนตัวของผมเองนั้นก็พอจะทายใจตากิมเฮงออกว่าแกไม่ชอบสัญญามรดกนั้นเพราะแกไม่ยินดีจะต้องแต่งงานกับเจ้ถ้าแกได้สมบัติแล้วไปหาสาวๆไม่ดีกว่าหรอระยองทั้งระยองเชิวนะแล้วจะทำยังไงกันต่อไปล่ะครับพี่ใหญ่ถาม ฉันกับพี่กิมแฮงจะคัดค้านสัญญาด้วยกันเจพูดกินเล่ากินข้าวให้สบายใจกันซะก่อนเถอะเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมกงพร้อมกันแล้วก็จะพูดเรื่องมรดกต่อหน้าผู้ใหญ่อีกหลายคนด้วยกันครั้นกินข้าวอิ่มดีแล้วเจเนยกับนายกิมแฮงพร้อมทางญาติอีกหลายคนได้ขึ้นไปชั้นบนเพื่อเยี่ยมกงจื้อกินเวลาตั้งเกือบสองชั่วโมงจึงได้กลับลงมาที่เก่าฉันนี่ไม่เคยคิดเลยว่าพ่อจื้อจะมีนิสัยดื้อไปได้ เสียงชายแก่คนหนึ่งพูดบ่นเมื่อกลับลงมาอืมฉันก็แปลกใจเหมือนกันหญิงแก่อีกคนพูดธรรมดาพ่อจื้อเนี่ยเป็นคนพูดง่ายพูดอะไรก็ฟังหารือกันได้แต่กลับฟื้นมาใหม่นี่สินิสัยแปลกไปเอาแต่ใจตัวเองเรื่องมันก็รู้ก็เห็นกันอยู่ว่าแม่เนยเขามีผัวใหม่ไปแล้วนี่พ่อเฮงเขาก็กาลังจะขอเมียใหม่อยู่แล้วเรื่องมันจะเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็ยังจะขืนมนุษย์ หญิงแก่พูดซ้ำอีกเรื่องอย่างนี้เมื่อเราตั้งใจจะให้ลูกหลานก็ควรผ่อนผันไปตามการและสมัยไม่ควรจะทําอย่างคนบ้าฮะลงท้ายจะปรับเอาลรื ว, ว่าหลานชายเราหลานสาวเราผิดคําสัญญาตะพืชใจแก่พูดพ่อจะล้มมรดกยกให้แต่เจ้าหัวท่าเดียวเลยทําไงได้ละ่ะในกิมเฮงพูดอย่างเคืองใจมรดกของเขาจะให้ใครก็ได้ฉันนจะไม่แปลกใจหรอก พอจะล้มมรดกยกให้แต่จะหวดท่าเดียวฮะจะท้อถอยได้เหรออยู่ๆให้คนอื่นมาชุบมือเปิบหญิงแก่ทักท้วงเสียงลั่นเรื่องที่เห็นเห็นอยู่กงต้องการจะล้มสัญญามรดกก็เห็นกันชัดๆในกิมเฮงพูดอย่างเดือดดานฉันก็สงสัยว่าพ่อจื้อกำลังสติไม่สมบูรณ์ใช่แก่พูดแม่เนยกับพ่อเฮงใจเย็นๆไว้ก่อนนะอย่าด่วนได้สรุปกันเชียว พวกฉันยังอยู่หัวโด่พอจะแก้ไขเป็นไงให้มันรู้ไปชายที่เรียกว่ากูชักพูดเด็ดขาดฉันก็เป็นผู้ใหญ่และไม่ใช่เด็กๆจะมาบังคับกันให้เป็นเด็กอีกฉันนะนะไม่ยอมเสียกระบาลให้ใครหรอกนายกิมเฮงพูดแล้วก็หัวเราะเยาะความคิดก่งจือ้อผมชักจะนับถือตสินแสเราว่าสมกับคาว่านักเลงจริงๆฉันมาคิดซ้อนกลนกันเถอะนะหญิงแก่พูดซ้อนกลยังไงอะ่ะ ชายแก่ถามหญิงแก่ก็บอกว่าก็ให้พ่อเฮงกับแม่เนยมันยอมตามสัญญากันซะก่อนเมื่อเป็นกรรมสิทธิ์ในมรดกแล้วเราจะทำยังไงก็ได้ตกลงกันได้เป็นส่วนตัวนี่นาะแกว่าเออเข้าทีเว้ยชายแก่เห็นด้วยเอานะพ่อเฮงแม่เนยเมื่อเล่นไม่ดีกับเราเราก็ไม่ซื่อเอากับมันมั่งแล้วนะเอาละพรุ่งนี้พูดกันใหม่เราบอกเรายอมทุกประการละให้หมดเรื่องไป รุ่งขึ้นต่างพากันขึ้นไปที่ชั้นบนพูดกับกงจื้อกันอีกคราวนี้ขึ้นไปมากกว่าเดิมล้วนแต่วงญาติทั้งนั้นเราสองคนไม่เกี่ยวข้องก็คอยกันอยู่ข้างล่างโรงดินใจผมนั้นอยากให้เขาเสร็จเรื่องสัทีมาระยองคราวนี้อยากจะเลยไปเที่ยวน้ําตกพลิ้วที่จันท บ, บุรีซะด้วยเพราะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เกิดแม้แต่ระยองก็เพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกในคราวนี้พวกญาติขึ้นไป ยอมตามสัญญามรดกกินเวลานานมากจึงได้ค่อยๆทยอยกันลงมาฉันก็ไม่เคยพบเคยเห็นอะไรแบบนี้หญิงแก่คนเดิมระเบิดออกมามีอย่างที่ไหนเขาว่าตอนแรกคัดค้านสัญญาแล้วจะยอมตามคราวหลังเขาได้ตัดสินใจไม่ให้ขึ้นละไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นคนเสียผู้ใหญ่หญิงแก่พูดพร้อมกับถุยน้ำลายแบบนี้ถ้าไม่คิดว่าเป็นโคตรมันควรฟ้องศาลขอความยุติธรรม หรือไงไม่เนยชายแก่อีกคนพูดสะบัดเจ้เนยนิ่งอันมองหน้าไปทางนายกิมเฮงแต่ว่านายกิมเฮงนั้นโกโรธจนไม่อยากจะพูดอะไรฉันก็ชักสงสัยอย่างมากทีเดียวทิดจือ้อไม่บ้าก็เป็นอะไรสักอย่างนึ่งละพูดเหมือนเด็กชายผู้สูงอายุที่มาร่วมใหม่พูดแล้วก็เดินไปเดินมาลองหารือทางกฎหมายกันดีกว่าไหมว่าจะทํำยังไงกันก็ทสารเขาช่วยไม่ได้แหละกงจื้อเขาจะว่าทรัพย์ของเขาเขาจะให้ใครก็สุดแล้วแต่เขา หญิงอีกคนถามลองถามทนายดูดีกว่านายกิมเ่งนั่งมานานแล้วเกิดฮึดฮัดขึ้นมาฉันคิดว่าทิดจือ้อไม่ใช่ทิดจื้อซะแล้วพับผ่าสิเอา้าคบกันมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เพิ่งมาผิดไปตอนฟื้นจากการตายขึ้นมานี่เลยโว้ยผู้เท่าที่ถูกเรียกว่ากูพูดแล้วมองหน้าคนทั่วๆไปเอาล่ะขอเวลาสองวันฉันสงสัยอยู่ในใจฉันจะช่วยแก้ไขเองดูมันทีหผู้เท่าอีกคนพูด ขณะนั้นมีแม่ชีสูงอายุอีกคนเข้ามาร่วมวงด้วยมองหน้าทุกๆคนไปจนทั่วเพราะรู้ดีว่ากำลังพูดอะไรกันอยู่ทุกๆคนยกมือไหว้แล้วเชิญให้นั่งด้วยความเคารพนับถือค่อยๆ ค, คิดกันให้ดีสิแม่ชีสูงอายุพูดอย่าให้มันรุนแรงถึงจะโกรธเครืองกันเลยใครใครนึกบ้างหรือเปล่า ว, ว่าพ่อจื้อนะ่ะไม่ใช่พ่อจื้อซะแล้วนะดูในตาเขาบ้างหรือเปล่าไอ้ใครมาสิงพ่อจื้ออยู่คิดกันบ้างหรือเปล่าล่ะ ทุกคนเหมือนสะดุง้งต่างเฉลียวใจเมื่อแม่ชีเท่าพูดขึ้นต่างจ้องหน้าแม่ชีทุกคนตัวผมเองก็สะดุ้งใจนึกว่าถ้าไม่ดีซะแล้วอาจจะมีผีสิงที่แท้ตายแล้วแต่ผีสิงอยู่ผมนี่ขนลุกเกรียวเลยท่านว่าอย่างไรครับชายที่ถูกเรียกว่ากูถามแม่ชีแล้วยกมือไหว้ท่านคิดตรงกับผมหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมนยว่ามท่า น, น่าจะมีใครมาสิงร่างที่ชื้ออยู่มิดตรงกับผมรเปล่ใช่ที่จื้อนี่ขอครับ แม่ชีเคี้ยวหมากหยับหยัและพยักหน้ารับคำผู้เท่าฉันกับพ่อจื้อก็สนิทกันมากเหมือนกันแต่ว่ามันผิดไปหมดคำใดที่พ่อจื้อไม่เคยกล่าวก็กล่าวออกมาแม่ชีว่าแต่ที่ฉันผิดใจก็คือพ่อจื้อกับฉันเลิกกินเนื้อสัตว์มาพร้อมกันแต่เวลานี้ฉันเห็นพ่อจื้อกินเนื้อสัตว์แม่ชีพูดและมองหน้าทุกคนเป็นคำถามจริงสิแฮะข้อนี้ผมก็ลืมไปเลยผู้เท่าร้องใครล่ะเป็นคนจัดอาหาร พูดแล้วก็มองดูหมู่ญาติว่าใครรู้บ้างเรื่องอาหารน่ะยังนี้นะพอกงแกฟื้นขึ้นก็กบ่นว่าหิวมากแล้วก็บอกว่าขอหมูขอปลากินฉันก็กําลังดีใจว่าแกฟื้นก็หาอาหารให้ตามที่แกเรียกร้องอ๋อเราเป็นผู้จัดเนื้อสัตว์ให้เหรอแม่ชีถามเจ้าค่ะก็กงแกจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เจ้าค่ะหญิงที่ชื่อแก้วตอบเออก็ว่าสิเราก็ว่ากงถือศีลอยู่ ทำไมให้เขากลับกินอีกหญิงอีกคนว่าโธก็รู้กันอยู่แหละแต่โก๋จะกินอย่างนั้นฉันก็หมดปัญญาแล้วหมอที่รักษาเขาอยู่ก็ว่าให้กินไปเถอะจะได้มีกำลังฟื้นใหม่ๆไปอดเนื้อสัตว์ก็ไม่มีแรงหญิงชื่อแก้วเถียงชัดชามันต้องไล่ผีกันสลมั่งผู้เฒ่าหวัวเราะผมกับพี่ใหญ่อยู่กับเขาตลอดเวลาชักไม่สบายใจมันจะเป็นผีสิงซะแล้วชักหนาวใจขึ้นมา ไปไหนไม่ค่อยพ้นเรื่องพูดผีปีศาจมาเรื่องมรดกมาโดนผีเข้าอีกจริงนะผิดตาไปทุกอย่างเมื่อพูดอย่างนี้ฉันก็นึกได้ธรรมดาก๋งเนี่ยรักแมวมากหญิงอีกคนนึงพูดแต่เดี๋ยวนี้ก๋งเกลียดแมวที่สุดเข้าใกล้เป็นตีเข้าใกล้เป็นตีนตแม่ฉี่เท่าฟังแล้วบ้วนน้ำหมากก็เลยพูดว่ามันไม่ใช่พรจืดดอกไม่ใช่ทุกอย่างพูดก็ไม่ใช่กินก็ไม่ใช่นิสัยก็ไม่ใช่ เมื่อตอนที่ไม่ตายน่ะเขาพูดกับฉันว่าจะทํามรดกใหม่เท่าที่ทําไปแล้วก็รุนแรงไปเกิดจากความอยากให้วงตระกูลเป็นปึกแผ่นไม่อยากให้แตกแยกกันไปให้เรือมันล่มในหนองทองมันจะได้อยู่ก้นหนองไม่หายไปไหนแต่พอครั้นนานเข้าพอจื้อก็ยังไม่ตายลูกหลานก็แก่ตัวลงก็มีเมียมีผัวกันไปจะไปยืนตามความคิดเดิมได้อย่างไรกันเล่า พูดกับฉันอยู่ทีเดียวจะแก้ไขให้ความเป็นธรรมขึ้นแต่ไงจะมาทำโมโหโทโสจะยกมรดกให้เจ้าห้วดหมดดูมันก็ชัดอยู่ว่าไม่ใช่พ่อจื้อแน่แม่ชีหยุดพูดทุกคนฟังแม่ชีพูดแล้วก็สงบนิ่งต่างมองดูหน้าเจ้เนยและนายกิมเฮงที่เคราะห์ถูกมรดกที่ยุ่งยากซ้ำจะถูกตัดซะอีกจะยกให้ในห้วดคนเดียวทั้งทางที่ในห้วดเองก็ไม่รู้เรื่อง เขาทำราชการอยู่ที่ศาลและเปลี่ยนชื่อให้พ้นเชื้อจีนว่านายประกวดและนายประกวดนี้เป็นบุตรชายนะฮะถ้านับกันแท้ๆไม่เกี่ยวข้องกับมรดกใดๆเลยเป็นเพียงชอบชอบรักรักกันเท่านั้นถ้าเกิดยกให้ในายประกวดหรือนายฮวดก็ได้ลาบลอยมาอย่างไม่รู้ตัวลูกหลานก็อีกหลายคนแม้จะแบ่งไปให้แก่คนนอกตระกูลไปก็ซึ่งเสียความตั้งใจเดิมไปผู้เท่าที่ถูกเรียกว่ากูนั้นชื่อเต็ก แกบอกให้ทุกคนรอแกก่อนแกจะดําเนินการให้เด็ดขาดรุ่งขึ้นอีกวันแกก็มาที่บ้านเรียกประชุมวงญาติพอพร้อมแกก็พูดขึ้นว่าฉันเนี่ยเกิดความคิดใหม่แล้วแกว่าเราต้องไล่ผีกันซะก่อนเมื่อวานนี้เองไอ้เซงที่มันนอนเฝ้าทิจจื้ออยู่มันบอกว่าตอนดึกเนี่ยมันตื่นขึ้นมันเห็นทิจจื้อนั่งดูดบุหรี่อยู่หน้าตามันไม่ใช่ทิจจื้อหน้ามันกลายเป็นหน้าไอ้ฮะ พ่อไอหุวดที่ตายไปเมื่อเร็วๆนี้ศพยังไม่ได้เผาเลยฉันก็เลยตัดสินใจไปหาหมอผีแล้วเมื่อคืนนี้เองใช่แล้วไอฮะมันมาสิงก็เลยคิดแต่จะช่วยลูกชายมันตะพืชผู้เท่าเต็กพูดแล้วก็มองหน้าทุกคนคล้ายจะฟังว่าใครจะคานบ้างจะได้ใครแหละมาไล่ผีนะ่ะหญิงแก่อีกคนนึงถามฉันก็เตรียมละพอฟังไอเซิงเล่าเรื่องผีฉันก็เลยไปหาหมอเขาเลย เล่าอะไรอะไรให้เขาฟังหมดหมอรับปากจะช่วยเต็มที่ฉันก็เลยมาบอกพวกเราให้รู้ไว้พวกญาติญาติที่ฟังอยู่ต่างพูดพร้อมกันว่าเห็นด้วยว่าไล่ผีซะก่อนอะไรอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นเมื่อไหร่หมอจะมาเลยยะผู้หญิงอีกคนหนึ่งถามใบบ่ายนี่เลยยะเท่าเต็กบอกหมอเขาบอกว่าเวลาที่เขาจะเข้าทำการขอให้คนไปดูกันเยอะๆเพื่อเป็นพยานกันทุกคนคานี้ผมชอบใจนะัก จะได้ขึ้นไปดูกับเขาบ้างอยากเห็นหน้ากงจื้อนักไม่เคยเห็นหน้ากัเลยจะได้ดูการไล่ผีที่ระยองเ้าทำกันอย่างไรบ้างผมกับพี่ใหญ่นึกสนุกขึ้นบ้างก็เลยกระซิบกันเลี่ยงออกจากโรงดินที่อาศัยเพราะใกล้ๆนั้นมีร้านชาอยู่ร้านหนึ่งเลยถลุงเล่าโรงปนเล่าจีนซะอร่อยไปเลยแกล้มด้วยมะม่วงจิ้มกัะปีระยองที่มีชื่อด่งดังของเมืองไทยขอเอาเหล้าเป็นกาลังใจไว้ก่อน เพราะใจคอไม่แข็งพอจะดูการไล่ผีไล่สางได้อเปล่ า, ล า, ลาโดยไม่มีเหล้าเป็นประกันฝ่ายเจ้เนอเห็นเราหายมาก็เลยมาตามบอกให้ไปกินข้าวกลางวันเจ้ของเราจ่ายค่าเหล้าให้หมดทั้งยังซื้อหิ้วไปอีกหลายขวดไว้กินกลางคืนวันนี้จะสนุกแค่ไหนจะได้ดูกันเจ้เนยว่าบังเอิญหมอคนนี้เนี่ยเป็นหญิงซะด้วยสิอายุก็พอๆกับฉันนี่แหละฉันรู้ว่าแม่หมอคนนี้เนี่เคยเป็นอริกับนายฮะซะด้วยเจ้ของเราหัวเราะ หมอเคยรู้จักกับกงจื้อหรือเปล่าล่ะพี่ใหญ่ถามอ๋อคนบ้านนอกเนะ่ยเขารู้จักมากคุ้นกันทั้งนั้นแหละเมืองแคบแคบก็รู้จักกันหมดเมื่อเราเสร็จอาหารกลางวันได้สักประเดี๋ยวเท่าเต๊กร้องเอะอะกับผู้หญิงคนนึงอายุคราวเจเน้ยเท่าเต็กออกไปรับที่ประตูโรงดินที่เราอาศัยอยู่อา้าวเชิญเชิญชิญไม่เติมเชิญข้างในเลยรับประทานอาหารแล้วหรือ ย, ยังล่ะเท่าเต๊กเชิญอาหารก็เรียบร้อยแล้วล่ะหญิงชื่อเติมพูดชั้นช้าไปหน่อย เพราะว่าไปเที่ยวนัดผู้ช่วยไว้ถ้าวันนี้ยังแข็งข้อพรุ่งนี้ฉันจะเอาผู้ช่วยมาบีบบังคับมันไม่เติมพูดแล้วขึ้นนั่งบนเสื่อที่ร้านยกพื้นบ้านนี้เป็นบ้านคนจีนเก่าๆชอบทำบ้านแบบโรงดินคือทำหลังคาและฝาบ้านครอบดินลงไปปลูกร้านยกพื้นเป็นที่นั่งที่นอนพื้นบ้านเป็นดินเหนียวปรับเรียบมีความเย็นผิดกว่าบ้านธรรมดาองน้าที่ใช้กินฝังดินลงไปครึ่งหนึ่งอาศัยความเย็นจากดิน พวกญาติญาติที่มาจากทางอื่นก็มารวมตัวกันหมดแม่เติมหรือหมอเติมถอดเสื้อนอกออกกองไว้ขอน้ําเย็นหนึ่งขันเพื่อทําน้ำมนต์แล้วก็เอาแป้งมาละลายน้ําทาตัวทาหน้าปราแป้งพัดตัวแห้งแล้วใส่เสื้อนอกใหม่นั่งพูดนั่งคุยกันสักครู่ก็เลยพูดว่าเอาละ่ะไปหาพ่อตัวการได้แล้วหมอเติมว่าไปกันเยอะๆเลยนะจะได้ดูเป็นพยานไว้เรื่องแบบนี้เนี่ยต้องมีพยานด้วย เท่าเตกขึ้นบันไดนำหน้าพวกอื่นๆก็ตามขึ้นไปแต่หมอเติมยังไม่ขึ้นยืนอยู่พื้นด้านล่างยกมือแล้วพูดพอได้ยินกันว่านี่พวกสาวๆหรือไม่สาวก็ตามถ้ารู้ตัวว่ากำลังตั้งท้องอย่าขึ้นไปเด็ดขาดเลยนะพอขาดคำหมอเติมพวกหญิงสองคนก็ชะงักแล้วเร่ไปทางอื่นไม่ขึ้นไปนอกนั้นก็ตามขึ้นไปหมอเติมยังคงยืนอยู่ตามเดิมเสียงแก่ๆข้างบนกรี้วกราดดดูถามว่า เฮ้ย <Hey, S 2> จะมากวนใจเรื่องมรดกอีกเหรอไปไปไปให้พน้นอย่ามากวนกูเสียงดังลั่นลงมาจากข้างล่างแล้วก็ได้ยินเสียงเท่าเต็กตอบไปอย่างดุดดเช่นกันไม่พูดหรอกว่าเรื่องมรดกนะ่ยจะมาเรื่องอื่นเท่าเต็กตอบเอาเว้ยพวกเราขึ้นมากันเถอะเว้ยหมอเติมพอได้ยินก็ขึ้นไปผมกับพี่ใหญ่ก็ตามขึ้นไปพอนั่งกันเรียบร้อยแล้วกงจื้อนั่งอยู่บนที่นอนแบบคนพึ่งฟื้นไข้ ร่างกายผอมหนังหุ้มกระดูกแก้มตอบแก้สายตาดูทุกๆคนอ๋อนี่หมอผีก็มาด้วยหรือวะกงจื้อถามแบบไม่พอใจหมอเติมมองดูกิริยากงจื้ออยู่ครู่นึงก็เลยถามว่าทำไมฉันมาเยี่ยมไม่ได้หรอหมอเติมตอบเสียงแข็งอ๋อมาเยี่ยมเหรอนึกว่ามาไล่ผีไล่สางที่ไหนกงจื้อพูดอย่างเย่อเยอ้ออ้าวหมอเติมร้องนี่ฉันมาเยี่ยมกงจื้อนะ ถ้าใครไม่ใช่ก็อย่าแสดงตัวสินั่นแน่อินนี่จะเก่งเสมอกงจื้อเปลี่ยนเสียงเป็นโกรธอย่าขึ้นมึงขึ้นกูนะจะบอกให้อ๋อไม่ดีก็ไม่มาหรอกหมอเติมว่าไปนั่นนี่เก่งวะกงจื้อแดกดันแล้วก็หัวเราะเยาะี่ฉันมาดีนะหมอเติมพูดมาอย่างสงบมาพูดกันอย่างรักหน้ากันโตโตแล้วอย่าทาอะไรให้เสียชื่อไปถึงลูกเต้าเลยจะไปไหนก็ไปซะ อ้าวนี่มึงไล่กูหรือกงจื้อตาถลนถามเปล่าไม่ไล่มาเชิญเฉยๆถ้าไม่ไปก็จะสาปให้ไม่ต้องไปเกิดเลยหรือถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นลูกอีจ่ายเลี้ยงหมูหนุนถ้ารักเกียรติจะไปเกิดเป็นลูกเจ้าบ้านพานเมืองก็ลูกเจ้าสัวก็ไปซะถ้าไม่ไปนะพรุ่งนี้เช้าอิจ่ายจะมาหมอเติมพูดอย่างเนื่อย แต่เล่นเอาฝ่ายฟังต้องขมวดคิ้วนึกตรึกตรองอ่อนเสียงลงเพราะคำว่าอกจ่าเลี้ยงหมูแล้วถ้ากูไม่ไปล่ะก็ะเป็นไปตามที่พูดไงพรุ่งนี้เช้าแล้วก็จะเที่ยวพูดประจานให้เสียชื่อเสียงไปเลยหมอเติมว่ามึงนี่เสือกมากมึงเคยนับถือกูเหตุใดมาทำแบบนี้คนไข้พูดจะใช่กงจือ้อหรือไม่ใช่กงจือ้อพูดอ๋อกงจื้อกูนับถือแต่มึงน่ะไม่ใช่ มึงน่ะหวังในทรัพย์สินคนอื่นเขาเสือกมาสิงเขาอยู่ขายหน้าวงวานมึงเองหมอเติมลุกเข้าให้ผู้มาสิงสูนิ่งไม่ตอบกูพูดเท่านี้ก็พอละคิดดูก็แล้วกันกูจะนอนคอยดูมึงจนกว่าจะรุ่งเช้าหมอเติมพูดแล้วก็ลุกกลับโบกมือเรียกพวกให้กลับผมกับพี่ใหญ่อยู่ใกล้ทางออกก็ออกก่อนได้ยินได้ฟังการโต้อตอบแจมแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรเท่ากับคนไข้สารภาพอยู่ในตัวแล้ว ผู้เท่าเต็ก ม, มีสีหน้าพอใจมากที่เห็นว่าการว่าความคาดคะเนไว้ไม่มีผิดเป็นจริงตามนั้นถ้าเป็นกงจื้อโดยแท้จะพูดกันไปอีกอย่างไม่โต้เถียงกันแบบนี้หากแต่ยังอาศัยเอาร่างกายของกงจื้อเป็นที่อำพรางไว้ก่อนใครจะกล้าดูหมิ่นก็ยากใจเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าหมอเติมว่านั่นคือปีศาจในฮะมสิงสู่อยู่ก็จริงผมชักสังหอนใจว่าวิญญาณตะหะมสิงจริง กลางคืนวันนี้คงจะอรารวาดแน่จึงซัดสุราซะเป็นการใหญ่ตอนกินข้าวเย็นเมาแล้วจะได้หลับซะไม่รู้เรื่องรู้ราวคืนนั้นหมอเติมก็นอนในโรงดินกับพวกเราแต่เป็นคนละแค่พวกญาติผู้หญิงหลายคนก็นอนใกล้ๆกันกับหมอเติมส่วนทั้งผมพี่ใหญ่เจ้เนยนอนมุ้งเดียวกันพี่ใหญ่นอนกลางผมกับเจ้เนยนอนคนละข้างขนาบอยู่ฤทธิสุราทําให้ผมหลับจริงๆอย่างที่คิดแต่มันก็หลับตอนหัวค่ํา พอตกดึกก็ชักหลับไม่สนิทแต่นอนหลับตาไปอย่างนั้นเองในโรงดินของเราจุดไฟสว่างตลอดคืนโดยถือเป็นยามฉุกเฉินเสียงหมาที่อยู่นอกโรงดินพากันเห่าหอนเสียงยาวโหวยหวนและนกแสกบินร้องไปมาแถวโรงดินเราหลายเที่ยวในยามฉุกเฉินเช่นนี้เสียงเหล่านั้นช่างเดือดร้อนแก่หัวใจผมเป็นอย่างยิ่งคนอื่นๆจะได้ยินหรือไม่ผมไม่ทราบยังคงนอนหลับตานิ่งฟังอยู่ด้วยใจเต้นระทึก และในขณะนั้นเองเสียงไอหมอหมาของกงจื้อที่มันนอนอยู่ใต้แคร่ของพวกเรามันก็คำรามฮื้อฮื้อคล้ายเห็นใครแปลกหน้าเข้ามาในที่ของเราผมพยายามลืมตาดูซึ่งในขณะนั้นผมนอนตะแคงหันหลังยันพี่ใหญ่อยู่ผมมองลอดมุ้งออกไปในไฟสว่างเห็นภาพคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงทางเท้าที่จะมายังห้องเราผมจาได้อย่างแม่นยาว่าภาพนั้นคือใครผมสะดุ้งทั้งตัวจนยันตัวพี่ใหญ่ กงจื้ยืนจังก้ากว่าตามองไปรอบๆผมแทบจะร้องตะโกนอยู่แล้วก็พอดีไอ้มอที่มันฮื้อฮืออยู่ตอนแรกมันได้เห่ากระโชกเสียงข่มพร้อมทั้งวิ่งเข้าใส่กงจื้งงับผิดงับถูกอยู่พลันวันกงจื้อถอยหนีและโบกมือขู่ไว้ห่างๆแต่อมอมไม่ยอมหยุดมันก็งับผิดอยู่กระชั้นชิดไงเว้ยเสียงผู้หญิงร้องออกไปและเป็นเสียงของมอเติมนั่นเองอย่าเลยเว้ยกูไม่เพลดหรอกเว้ย ขาดคําหมอเติมลุกขึ้นเปิดมุ้งออกไปกงจื้อกําลังวิ่งหนีไอ้หมอขึ้นบันไดเพราะไอ้หมอมันงับผิดเสียงฟันกระทบกันดังกรึบกรับหมามันไม่ยอมเหรอหมอเติมร้องเย้ยมันรู้นี่ว่ามึงไม่ใช่เจ้านายของมันตกตามันไม่ได้หรอกพูดแล้วก็หัวเราะกากตอนนั้นทุกคนในโรงดินของเราตื่นตกใจกันทุกคนกงจื้อหนีไอ้หมอขึ้นข้างบนแล้วการนอนของคนอนละเวงต่างโดดเข้ามาเกาะกันเป็นกลุ่ม พวกที่ใกล้แม่หมอก็เข้าเกาะหลังแม่หมอเราสามคนเกาะกันแน่นเจ้เนย์เกอดพี่ใหญ่และพี่ใหญ่ก็โอบเจ้เนยไว้ทุกคนเห็นถนัดว่าหมารักหมาใคร่ของกงจื้อเองไล่กัดกงจื้อมันชัดแจ้งแกตาทุกคนหมามันรู้ว่าใครเป็นใครจะตบตามันไม่ได้ผมสงสารคนข้างบนที่นอนเป็นเพื่อนผีร้ายนั้นแต่ว่าบัดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไอ้หมอหอนเสียงลั่นโรงดินอยู่ประเดี๋ยวก็หยุดเงียบ ไม่เติมก็รู้ชัดแล้วไม่ใช่หรือมามันชี้ให้เห็นชัดแล้วจะเอาอยัางไงก็เอาเท่าเตกพูดพรุ่งนี้เช้าละกันกูจะรู้กันหมอหญิงว่าคนที่ฉันนัดไว้จะมาพร้อมกันหมดแกพูดแล้วก็ก้าวขาลงจากแค่เดินไปเดินมาที่พื้นดินผมบูชาแกว่าช่างกล้าหาญผิดหญิงแท้ๆสมกับตาแหน่งหมอผี พี่ใหญ่ถือโอกาสควานหาขวดเหล้าที่ยังอยู่ที่หัวนอนมารินใส่แก้วแจกกันคนละกรวบสองกรวบทางอื่นๆก็เลยตามอย่างบ้างในยามคับขันนี้ถ้าไม่มีการย้อมใจถ้าจะไม่ไหวจะรู้ได้อย่างไรว่ากกงปลอมจะไม่ยอมย่องลงมาอีกใจผมคิดว่าจะไม่นอนละจะใช้หลับนกเอาคงไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างดีกว่าหลับเผลอปล่อยให้พระพุทธกกงลงมาถึงตื่นต่นอยู่ถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะเอะอะ ให้พวกช่วยหรือว่าเรียกให้แม่หมอได้รู้ตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงอุ่นใจที่มีทหารเอกซุ่มอยู่ใต้แคร่ก็คือพ่อเจ้าประคุณหมอแก่ค่อยจมูกวัยหูวัยวิ่งปะทะไล่งับติดติดไปเลยฤทธิ์เล่าทำให้ผมผละพี่ใหญ่และเจออกมาได้และกลุ่มอื่นก็มีท่าว่านอนไม่ลงส่วนหมอนั้นใจแก่แกร่งก็ล้มตัวลงนอนตามเดิม เราทุกคนยังคงนั่งยามเฝ้าอยู่และเกือบทุกคนก็ต้องมองทางบันไดดูผู้ที่อยู่ข้างบนว่าจะก้าวลงมาไหมต่างคนต่างทําความเสรีแก่ตัวเองคือใครใครกินเหล้าใค ร, รใครสูบบุหรี่สูบใครใครกินหมากกินจนสว่างคาตาเสียงก้าวเหวาร้องอยู่ทางป่าไม้เรียกแสงเงินแสงทองผมชักกล้าหาญขึ้นมากกระแอมไอออกมาแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าไอเรื่องเอ้ย ทำไมชะตาของเจ้าถึงพบกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่หยุดหย่อนโรคประสาทจะกินตายหาอยู่แล้วความอนละเวงได้เกิดขึ้นแก่บ้านนี้อีกใหญ่หลวงในตอนเช้าเกือบเกือบสองโมงเสียงข้างบนร้องเอะอะให้ข้างล่างไปดูก่งจื้อพวกข้างล่างตกใจจังงังอยู่แม่หมอเติมนั่งเฉยๆเท่าเต็กรีบวิ่งขึ้นไปสักครู่เดียวก็กลับลงมาบอกกับแม่หมอว่าคราวนี้ที่จื้อตายแน่ไม่กระดิกเลยเท่าเตกบอกกับแม่หมอเติม พวกเราได้ยินก็ตกใจไปตามๆกันขอเวลาอีกครู่เถอะอย่าเพิ่งแน่ใจนะักคนที่ชั้นนัดมาเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นเป็นเรื่องแน่แม่หมอบอกเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรตื่นเต้นพวกเราบางคนขึ้นไปดูกงแต่ผมกับพี่ใหญ่หาเอาไม่ธุระก็หาใช่ไม่จะทำเจ้ากี้เจ้าการอย่างไม่เข้าท่าเรื่องทำพักดีอย่างไม่จริงนั้นของดเท่าที่ทนดูอยู่ก็อยู่นิ่งๆเพราะเจ๊เนยแสนจะกลุ้มกระบาลอยู่แล้ว พี่ใหญ่ไม่ขึ้นไปดูบ้างเหรอผมแกล้งถามพี่ใหญ่นั่งนิ่งไม่หันมาดูผมแล้วก็พูดว่ากลัวศพกงงจะถามเอาว่ามึงเป็นอะไรกับกูมึงถึงพักดีกับกูนักพี่ใหญ่ตอบแล้วก็ก้มหน้าผมแทบจะหัวเราะซะให้ได้แต่ก็ไม่กล้าเพราะเขาตื่นเต้นตกใจแล้วก็เศร้าโศกกันทั้งนั้นขณะนั้นมีเสียงหญิงคนนึงร้องถามมาจากประตูโรงดินของเราแม่หมอแม่หมอเติมอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ ผมสะดุ้งหันไปดูเห็นหญิงสาวคนหนึง่งร่างกายทื่นทึกยืนอยู่อย่างแข็งแรงจดจดจ้องจ้องอยู่อยู่จ้าอยู่ข้างบนพี่ใหญ่ตอบเชิญข้างในก่อนสิจ้าช่วยบอกแม่หมอด้วยนะฉันชื่อจ่ายฉันมาตามที่แม่หมอสั่งไว้อ๋อจ้าจาพี่ใหญ่รับปากแล้วก็รีบขึ้นบันไดไปโผล่แค่คอแล้วบอกขึ้นไปแต่คอยฟังว่าข้างบนจะว่าอย่างไรบัตนั้นเองพี่ใหญ่หันมาบอกแม่หมอเชิญให้ขึ้นไปข้างบน แม่หญิงทึนทึกก็ขึ้นไปข้างบนตามที่บอกผมเพิ่งจะรู้จักผู้หญิงที่ชื่อจ่ายเดี๋ยวนี้เองที่แม่หมอเติมแกพูดขู่ปีศาจตะหะว่าจะสาบให้ไปเกิดเป็นลูกอิจ่ายเลี้ยงหมูแต่จะเป็นไปในทางใดผมก็ไม่เข้าใจความหมายของแม่หมอเติมผมคงนั่งกล่อมใจด้วยสุราไปพลางๆก็พอดีมีชายมาอีกสองคนอ้างว่าเป็นหมอมาตรวจศพผมกับพี่ใหญ่ก็อึกอักแต่ก็รีบพาชายสองคนไปข้างบน คุณหมอมาก็ดีแล้วหมอเติมว่าช่วยตรวจสบดูด้วยว่าตายสนิทแล้วหรือยังพวกลู ก, ลก ห, ลหลานจะได้เอาเข้าโงเข้าหยิบให้เรียบร้อยไปหมอสองคนเข้าตรวจร่างกายกล่งจื้อหน่อยก็บอกว่าตายนานแล้วนี่ครับจะเน่าเอาซะซ้ำไปหมอชายบอกพอผมได้ยินเท่านั้นผมก็รีบเลี่ยงลงมาก่อนแล้วพี่ใหญ่ก็ตามลงมาด้วยแหมฉันกลุ้มใจจริงพี่ใหญ่ผมว่าถ้าเราอยู่จนกว่าเขาจะสวดกันเสร็จคงตอเข้าหลายวัน นกเกือจะบ่นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้อืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละผิดนักอยู่อีกสองวันแล้วชวนจะเนยกลับกันดีกว่าไหมพี่ใหญ่พูดเอ๊เจ๊แกจะกล้ากลับเหรอปู่ย่าตายายตายทันทีไม่เอาเรื่องมุ่งอย่างเดียวแต่มะระดกผมก็เกรงว่ามันจะเสียคนนะผมออกความเห็นอืมพี่ใหญ่ครางออกมาแต่ เ, เรานี่ก็มาโดยเปล่าเปล่าี ป, า ป, ปไม่ได้ดีอะไรกับเขานะ ท่นใดนั้นเจ้เนยก็ลงมาหาเราและเข้ามาพูดอย่างหารือนี่พ่อใหญ่พ่อเรืองเจ้เนยพูดตัวฉันถ้ามันจะต้องอยู่อีกหลายวันจะรีบกลับก็กลายเป็นเสียคนฉันจะให้พ่อใหญ่พ่อเรืองกลับก่อนและกะว่าราวสิบวันให้พ่อใหญ่พ่อเรืองเนี่ยรีบกลับมารับฉันนะกะว่าจะเลยทําเรื่องมรดกให้เสร็จซะเลยผมค่อยสบายใจจะได้กลับพี่ใหญ่คงห่วงเจ้เนยขึ้นบ้างเห็นนั่งนิ่งอยู่ แต่คิดไปแล้วคนที่นี่ก็เป็นญาติของเจ้เนยแกทั้งนั้นปล่อยแกไว้ก่อนก็ดีเรากลับไปทํางานสักพักค่อยมารับแกตกลงเราอยู่เป็นเพื่อนกัอีกสองคืนจึงได้กลับเจ้เนยมาส่งที่รถและมอบเงินให้พี่ใหญ่มาก้อนหนึ่งเมื่อร่ำรากันเรียบร้อยแล้วก็มองเจ้เนย อ, อย่างห่วงใยเมื่อรถเมย์เคลื่อนรถวิ่งมาไกลามากจึงได้ความว่าเจ้เนยให้เงินมานั้นทั้งค่ารถค่ากินและเงินที่เราขาดงานมาด้วย ผมขอบคุณแกที่รู้ว่าเรายากจนช่วยจัดเงินมาให้ด้วยไม่ยอมให้เราขาดทุนตลอดเวลาที่อยู่การกินการอยู่ก็ฟูมฟายดีตลอดเวลาอีก10กว่าวันผมกับพี่ใหญ่ก็ระเหิดมาระยองกันอีกงานศพได้เสร็จไปแล้วเท่าเต็กได้ช่วยจัดการมรดกให้เสร็จไปอีกไม่ว่าจะเป็นพวกเงินทองของกงจื้อแบ่งให้ลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดไปหมดแล้วสิน้นแต่เจ๊ของเรากับนายกิมเฮงได้เฉพาะที่ดินแต่ว่าใกล้เมืองดีมาก เจ้เราได้50ไร่ชิดตลาดเข้ามาส่วนนายกิมเฮงได้ไปทางแม่น้ำเขาก็เลยเหมาะกับการทำโครงการของเขาเจ้ J. ของเราก็มีโครงการเหมือนกันแต่ว่าขอให้พี่ใหญ่ร่วมมือร่วมชีวิตด้วยแกจะเซงร้านข้าวแกงสีแยกสนามเป้าเอาเงินผสมกับที่มีอยู่สร้างห้องแถวให้เช่าชิดตลาดจะทำร้านข้าวแกงอีกและทาไร่ด้วยพอควรข้อใหญ่อยู่ว่าถ้าพี่ใหญ่ร่วมชีวิตกับแกจึงจะทาตามที่วางแผนไว้ได้ ส่วนผมนั้นเจ๊ J. แกไม่คิดจะทิ้งแกแบ่งให้ทำกินอีกสิบไร่และโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์เลยผมมาคิดดูก็เข้าทีเกิดอายุทยาแต่มามีที่ดินที่ระยองอย่างไม่เคยฝันเลยถ้าพี่ใหญ่ไม่โอนอ่อนตอนที่เจ๊แกตั้งใจพี่ใหญ่เนี่จะโง่อย่างวายร้ายการมีหลักฐานขึ้นนี้พี่ใหญ่จะไปทำอะไรที่ไหนได้อย่างนี้มีวิชาอะไรกันเป็นกรรมกรออกแรงแลกเงินเล่นลิเกแลกเงิ น, นรือ หัวงอกอีกสิบหนก็เป็นหลักฐานไม่ได้เพียงมีเมียแก่ไปหน่อยจะเป็นอย่างไรไปแลกกับชีวิตเป็นกรรมกรสวยนะ่ะไม่สําคัญตายายยังมีชีวิตต้องห่วงแอบไปดูแกบ้างพเนจรไปบ้างถ้าพี่ใหญ่มีหลักฐานดีผมก็พอจะพึ่งได้เรื่องปีศาจนาฮะไม่กลับมาสิงร่างกงจื้ออีกนั้นผมพึ่งมารู้แจ่มแจ้งคราวหลังว่าในฮะเมื่อยังมีชีวิตเป็นคนมีหลักฐานดีและไว้ตัวไว้เกียรจนะักถือตระกูลอยู่มาก ที่หมอเติมขู่ว่าจะเอาแม่จายคนเลี้ยงหมูมานั้นปีศาจในฮะกลัวนักกลัวจะถูกดูดไปเกิดในท้องหญิงชั้นนั้นจึงทิ้งร่างกงจื้อหลบไปเท่าที่มาสิงอยู่กับร่างของกงจื้อก็เพื่อจะมาล้มมรดกของนายกิมเฮงและเจ๊เนยซะเพื่อช่วยในหวดลูกชายให้ได้สมบัติแต่บังเอิญมีผู้รู้ทันมาขับไล่ในฮะให้ผลไปจากการสิงคนตายหมอเติมแกละเอียดและการไม่ถูกต้องจึงทาการเสร็จ และนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นตอนมรดกบังคับค่ะเป็นเรื่องราวของไอ้เรืองนะคะที่เป็นอีกตอนหนึ่งในชุดไอ้เรืองพเนจรเรื่องของครูเหมเวชกรที่ท่านได้ประพันธ์ไว้หรือว่าได้เขียนไว้ให้เรารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้ฟังกันอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวตอนหน้านะคะบีเองจะขอนําเรื่องเรื่องยุ่งของมนุษย์ค่ะซึ่งใกล้จะจบแล้วล่ะนะคะในเล่ม ผู้มาจากเมืองมืดถึงอย่างไรนั้นคุณผู้ฟังก็รอติดตามรับฟังได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเรายังไงเพื่อเป็นกําลังใจนะคะถ้าหากว่ามีโฆษณาปรากฏขึ้นนะคะในจังหวะไหนก็กราบขออภัยในความขัดเครื่องข้องใจเสียอารมณ์หมดเลยกาลังฟังอยู่ดีๆ ด, ด, ด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามองอีก น, นัยนึงก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องก็จะพยายามทาให้โฆษณาที่แสดงในคลิป ท่านกลางเนี่ยนะคะน้อยที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีเลยในบางคลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็อีกทางนึงคือการกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้กับเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ